แต่ไม่ได้กำหนดวันั้นมัน ม, ม, ม, ม, มันไม่ได้นอกวันที่หนึ่งที่สองมันไมด้กำหนคือวันนั้นเดือนแปม่อ น, นี้นแปดสาบันล้านสองพันห้ารยี่สิบสี่พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งเดือนนุ่มก เราเคยพูดกันเรื่องปีเก่าปีใหม่แล้วก็ทําบุญก็ต้อง ท, ทํากี่ยวายปีเก่านับปีใหม่เราเคยพูดกันอย่างไงวันนี้ที่ได้มารวมกันเรื่องมาปรุมกันที่มาประชุมในวันนี้ก็อาจามาได้นับที่หมดไวที่ทั่วทุกมุมศึกษาปฏิบัติ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 ดังนั้นเราเคยเรียนกันหลักพุทธศาสนาเนั้นมากแม่เรียนมาตั้งแต่ตัวเล็กๆทีเดียวอัตามาเอ็มเคยเป็นเนรอายุ11ปีเคยศึกษาเคยปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุ11ปีเขียนหนังสือไม่เป็นหนังสือไทยเขไม่ติดอ่านไม่ได้จะเรียนตัวธรรม บ้านอาตมาต้องเรียนตัวธรรมเขียนเป็นเวลาอาตมาเคยเขียนหนังสือเขียนตัวธรรมในี่ยมือนี่เป็นไปเขารู้จักทำไปหรือว่าเขียนหนังสือใครเขียนมากได้บุญมากแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องเขียนหนังสือเป็นธรมธรมะเข้าใจไหมครับครูบาสอนอย่างนั้นแล้วก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นตามครูบาอาจารย์อันนี้เป็นวิธีรูจร้จักรู้จํามาจากครูบาอาจารย์ รู้จำมาจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายสอนมาเรียกว่ารู้จักรู้จักรู้จักกับิดามารดาปูบาอาจารย์สอนให้และพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนให้มาเ็รู้จักรู้จำรู้จักนี้ดีหน้อยไม่พึงร้อยปเปอร์เซ็นต์เพราะจำใวันนี้ผมพูดเที่ยวหรือพดกล้าหาเพราะเราพูดผลจริง เพราะในระยะนี้เราทุกคนต้องการปฏิบัติธรรมเพื่อทำความใจตั้งใจเพื่อความจริงใจการรู้จำรู้จักนี้เราไม่หมดเพื่จริงๆเพราะเราอยู่ในอย่างที่เราอยู่ในสลานี่เนี่ยเราปิดปิดปิกุญแจใส่ลูกอ่อนข้างนอกเราออกจากสลานี้ไม่ได้เราก็ต้องรู้อยู่ในวงสลานี่เอง เราจะออกนอกสารานี้ไม่ได้แน่นอนที่สุดตอนนี้ที่จะมาเป็นอย่างนั้ตามปกติความรู้ที่อยู่ในกลงอยู่ในสารานี่ยออกสารานันไม่ได้เหมือนกับนกขังอยู่ในตุ้มขังอยู่ในกลงเคยเห็นนกเขาขังอยู่ในตุ้มหรยใครเคยเห็นเคยเห็นไหมนกเขาขังอยู่ในตุ้ ม, มนั้นออกตัวไม่ได้นะมันปิดไปอันนี้ก็เหมือนกันที่ฟอมรู้ที่เรา ร่วม ก, กับครูบาอาจารย์สอนให้เดว่าู้จักรู้จักที่ว่าออกจากตำราไม่ได้เมื่อเราออกจากตำราไม่ได้เราก็ติดตำร า, าก็เหมือนกับเราอยู่ที่สาราน่เองคนปิดตะแกข้างนอกแล้วเราไขาข้างในไม่ได้เราจะทำยังไงเราต้องมีความรู้หาวิธีขไขออกไปจนได้ เมื่อพูดเทนี้อาตมาเคยเป็นในอ่อนเห็นคังเป็นคนจีนนะในสมัยหนึ่งคนจีนแต่เป็นนิทานอาจจะเป็นคนสมัยนี้ก็ได้พอท่านพูดเรื่องว่าเป็นนิทานมีตาคนหนึ่งเลี้ยงหลานนอนอยู่ในเตียงวันนี้ตาคนนั้นเลี้ยงหลานตาปกติมีลูกส้มเขียวหวานหนึ่งลูกให้หลานเล่น หลานก็เล่นพอดีเล่นส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานก็หลุดมือลงไปพอดีหลุดมือลงไปก็ตุกลงที่นั้นอันนี้เป็นเรื่องของอาญาวันนี้มีผู้ไร่คนหนึ่งมีมีคนคนหนึ่งจะหาวิธีเรียนเป็นขโมยโดยไม่ให้ถูกจับขอพุทธวั ง, วงเราจะเอาเป็นวิธีหาวิธีละโดยไม่ให้เจ้าหน้าที่จับ และไม่ให้เจ้าของรู้อิสระด้วยตามปกติคน<ม>ชอบขโมยของคนเนี่ยไม่ให้คนอื่นเห็นมเมื่อคนอื่นเห็น<ม>ก็เสียซื้อเสียเกียรถึงเขาจับไม่ได้ก็เสียซื้อเสียเกียรถ้าหากเจ้าหน้าที่จับก็ต้องติดคุกกิตติลาอับอายขายหน้าก็เลยไปหาอาจารย์ที่คนเคยสอนวิธีรักไม่เจอเลยมันนี้ไปลงบ้านไปวันนี้เนี่ย สมมติอย่างที่พวกท่านมาวัเนี่ยเนี่ยมาเห็นวิธีลับเดินไปเดินไปก็เห็นบ้านนึงบ้านก็บ้านคนนั้นก็เป็นคนรักเลงโตคนนั้นเป็นรักเลงีงโตเคยลักมาแล้วไม่เคยถูกจับเลยก็เลยขึ้นไปบ้านนยายอตาคนนั้นกดพาหลานเล่นพอดีเข้าไปแล้วก็ไปไปนอนใต้เตียงนอนอยู่ใต้เตียงของตานั่นอ่ะ พ่อตาก็ลองเพลงกับหลานเล่นพอดีหลานปัดส้มเขียวหวานตกลงผู้ร้ายคนที่กําลังขึ้นไปลักของโภนาหาวิธีจะทํำยังไงเขาจะมาเอานี่เขาจะเห็นเรา เ, เมื่อเราไม่เอาลูกส้มเขียวหวานลูกนี้ออกไปเขาก็ลงมานี่จริงๆเขาต้องเห็นเราบัานนี้ตาคนนั้นก็รู้สึกทันทีรู้สึกว่า ผู้ร้ายคนนี้เขาเป็นนอนอยู่้องเตียงเราเนี้ยพ่อตาคนนั้นเป็นนักเลงโตเคยเป็นนักเลงโตไม่ว่าเคยนั่เป็นอาชีพเลยไม่เคยเจ้าหน้าที่จับและเจ้าของก็ไม่เคยรู้วันนี้ก่อนเลองเพลงอาชมาลลืมนะผมลองเพลงนี้พอลองให้ฟังทีง่เมื่อเป็นเด็กจําไม่ได้ก็เลยพลิกส้มเขียวหวานออกมาข้างนอก พอดีพิกต้นเขวหานออกมาตาก็ลองเหีหงน อ, ออกมาเถอะอย่าซ่อนตัวอยู่ที่ตรงนี้อะไรท่านพูดไปหลายเรื่องจังคนคนที่ไปเรียนนักเนี่ยนะก็เลยรู้เธ อ, อเขาเห็นเราแล้วมั่งป่านีนะ้คิดละอายในใจเราจะทํำยังไงคนนั่งคนเรียกให้ออกมาตาคนนั่งบอกให้ให้คนที่ไปนอนใต้เตียงออกมาออกมาดู คนนั่นก็เลยคนไม่ไหวก็เลยออกมาออกมาก็เลยมาถาม <c oughs> มาเพื่ออะไรมาลักของลักกี่ครั้งแล้วไม่เคยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สุดจะเรียนเอาไปลักของที่ไหนจะเรียนลักของเป็นอาชีพจะไม่ทําการทํางานจะลักของกินเนี่ย <c oughs> โอ้นี่ทำไมเข้ามาให้เจ้าของบ้านเขารู้จะลักของเขาไดไ้นึกว่าเจ้าของบ้านจะไม่รู้ หนี่เป็นเรื่องนี้น่าเอามาเล่าให้พวกเราแบบพ่อเอามาปฏิบัติมาก็เลยจับหัวข้อรู้ที่มาเราพอดีตาก็เลยพูดกับคนนั้นว่าถ้าเธอจะลักของต้องมาเรียนศัพ ส, สันเคยรักของมาไม่เคยให้เจ้าหน้าที่รู้จักและเจ้าของบ้านเขาไม่เคยรู้เอ้าตัดสินใจรักจะไปเย็นนั่นคนนี้เอาเย็นนี้ก็ต้องไปวันนี้ก็เลย สมมติเย็นวันนี้ก็ไปเลยไปก็พาไปเข้าห้องลานหอคนจีนนะอเนี่ยผู้ภาษาหรือคนจีนคนจีนไว้ผมคนจีนชอบไว้ผมผู้หญิงผู้ชายอาจจะตัดผมก็ได้ตามปกติเตรียมนอนมีสองคนผู้หญิงเรียกัวมีนอนด้วยกันนอนด้วยกันทิ้งีย้วันนี้พอดีคนนี่ก็เข้าไปคนหัวหน้านี่เป็นใครเปิดประตูเข้าไปเลย เปิดประตูเข้าไปแล้วกับปิดไว้เปิดเข้าไปปิดไว้ปิดไว้แต่ว่าไม่ได้ปิดตัวก่อนนะเสร็จปิดแล้วแต่ว่าให้ออกได้แต่ไม่คนอื่นมองเห็นสมมุติว่าเราจะเปิดเพียงไว้กี่วัสั้นที่แรกเปิดเข้าไปได้สั้นที่สองเปิดเข้าไปได้สั้นที่สามคือมีตู้เลี่ยผู้หญิงกับคนจีนนอนอยู่โต๊ะอย่างนี้เนี่ยเสร็จตู้นั้นมันนีไว้าหีบมีทองคำนีอะไรเอาหมดเลยคนนี้เอามด ก็ซุกให้คนที่ไปเรียนนี่เข้าไปนอนไหนให้เลยพอดีซุขคนที่เข้าไปนอนก็ดูมันจะเป็นที่กําปั้นพอดีเข้าไปนอนขานาดปุ๊บอัดประแจทางนอกพอดีอัดประแจทางนอกรนแล้วคนนั้นเอาของเอาท อ, องคํานี้มาเลยเอานี้มาเอานี้มา น, นี้มาคนนี้ก็นอนเป็นคนเดียวนอนอยู่ใ น, ในที่ คิดไม่ออกนะทีนี้ตาลูทีเนี้ทำมาเพื่ให้เขาสอบตับเราแล้วแม้เหล่านี้มั น, น, นเรียนเอากันยังจริงใจเรียนเนี่วเรียนบทเรียนอันนี้กเหงือนกันที่เรามาปฏิบัติธรรมะอย่าพึ่งเรียนธรรมะเว่านี้ตามปกติคนไม่มีทางออกก็ตุกงคิดอึดอัดใจอึดอัดคิดหาท่าทีจะทํำยังไงเพื่ จ, จะออกได้ คิดนานพอดีจวนสว่างขึ้นมาแล้วตามปกติคนมันตื่นตื่นก็เลยเราจะทำยังไงมันดูจะหายใจแลกหรือสอกไปอาจจะตำยานนี้ก็ได้ตำอีกทางผู้หญิงก็ตื่นตื่นข็รับปลุกสามีเขาที่เสียงอะไรในตู้เกิดในใ น, ในหีบเราทุกวันไม่เคยได้ยินก็ ผู้วก็เลยมางเงี่ยงหูฟังเสียงอะไรดังคนหายใจบรนดังเน้วทางผู้เมียเขามาฟังด้วยการแยกก็เตรียมตัวเลยบหมือนเตียมตัวแล้วจะทํำยังไงต้องไปเขามาเปิดต้องมาเปิดดูเสียงอะไรก็ให้กดแจกด์แจกกับตามปกตินี่มันมีปัจแจเปิดเปิดแล้วมันต้องมีที่กําพันมันต้องสุกไปทุกมานะ ทกไปทุกมาดำง๊อกคนนึงก๊อก ค, ค, อ ค, ค, อ ค, ครั้งนี้ประหลุจจักพอเด็เปิดขึ้นคนนั้นก็โผล่ออกมาทันทีเลยโผล่ออกมาคนคนจีนเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งสองคนในมองแบบตื่นเลยตื่นว่าไม่ันผีคนเลยหลบตัวได้ออกประตูได้คนที่เป็นอาจารย์สอนไม่ได้ปิดคนแจ่แต่เพียงเปิดเข้าไปให้เปิดให้แต่ปิดไว้แต่เปิดไม่ได้ปิดคนแกคืออย่างที่ เปได้น้อยพอดีแล่นออกมาโควิดได้พังตัวนี้ออกไปได้พังตัวที่สองออก็ได้พังตัวที่สามออกไปได้คือไม่ได้มีกคนเจ็เพียงแค่ปิดไปในน้อยตัวพอดีเพอไปสี่ออกทันทีเอาไปเอาทันทีเอาออกทันทีทั้งสามที่ออกไปเลยตามอาจารย์พี่ว่าจะสอนผมเป็นนักเลงโตทําไมไปหักหลังผ ม, มเอาหักหลังทําไม พี่ว่าจะไปสอนผมให้ผมเป็นนักเลงไม่ให้เขาจับตัวได้ไล่ตัวทันอ้าวเธอทําไมพูดอย่างนั้นก็ฉันสอนให้เธอแล้วเนี่ยสอนทําไมก็เอาเธอไป น, นอนไม่ในตู้ในหีบนั่นถ้าเธอไม่มีปัญญาเธอจะออกมาได้ไหมพูดอย่างนี้นนก็เป็อนอลัฐานที่เราเรียนกันกูว่าอาจารย์นั้นสําเร็จไม่ได้ถ้าหากคนในเรียนวิปัสสนาคนตามเรียนอะไรก็ตามจัดอยู่ในต่อ อย่างที่พูดแล้วเราอยู่ที่สถานถ้าไปติดกุญแจข้างนอกถ้าเราไม่หาวิธีออกแล้วไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะกด ไ, ได้ดัง น, นั้นคนนั่นก็เลยต่อว่าต่อเทียงกันไปหลายเรื่องก็ mm. ดีแล้วเนี่ย ส, สอนเธอแล้วเนี่ยสอนให้เธอเป็นนั่งอยู่ในหีบเธอออกมาได้เพราะใครเขา อ, ออกมาได้เพราะผมที่คุณทำยังไงผมก็คิดไป คิดไม่ออกแล้วคนเอาดอกอะไรเนี่ยมันหันใจแรงเข้ามาเปิดมาเปิดผมก็ออกมาได้เพราะเธอก็ต้องเจริญรักของผมก็ต้องเรียบร้อยอย่างนั้นต้องมีความคิดต้องมีสติปัญญาเล่มสันสอนเธอแหละเพียงคําสอนนั่นมันเอาจริงออกจังไม่ได้คุณต้องใช้สติปัญญาก็เลยไม่ได้มีเรื่องได้ผลนั่ก็เลยเป็นนักเลงอาชีพ หากินมาตลอดมาไม่ถูกจับเจห น, นที่ก็จับไม่ได้เจ้าของก็ไม่เห็นเพราะคนสอนนักเรียเป็นนักเรียนโตมาแล้วคนนี้ก็เป็นนักเรียนโตมาแล้วดังนั้นเรามาพูดธรร ม, มาะการศึกษาเล่าเรียนพวกคุณคงจะได้เรียนอย่างน้อยต้องปริยาที่มานี่นะยกข้อเข้าใจได้ปริยาทั้งนั้นใช่ไหม ได้ครับปริญญาคงจะมีมากนะแลครับมัธยมหกมัธยมแปดจะคงจะมีน้อยปอสี่คงจะมีจะคุณหรือยจงไหนเอาคุณเรียนท่านไหนมหครับคุณเรียนท่านไหนมสองมแปดมแปดเอาคุณเรียนท่านไหนปริญญาตรีเอาหนูเรียนท่านไหนปริญญาโทเอาหนูเรียนท่านไหนเนี่ยมีแต่ปริญญาทั้งนั้นส่วนมาก ดังนั้นเรียนปริยาติปริยาโทถึงเปริยาจิต <c oughs> ก็ยังมีขขงเคาะเลือกอะไรอันนี้นื่องจาการหลักวิชาทางเรียนทฤษฎีนั้นเป็นทางทฤษฎีมีแถนทีเทานั้นเหมือนกับครูสอนให้ไปรับนั่นเอถ้าหากเราจะไว้อกไว้ใจกับการสอนนั้นแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้อัตมาเองที่ได้ได้ยินจากคออัตมาเล่ากระซิบบอกา ไม่คิดอย่างนี้เลยไปปฏิบัติธรรมะเมื่อจะรู้สึกก็เมีงฟองตกเสขาอย่างไรคราวนั้นอาตมารู้จักเรื่องทุกข์แต่ทุกข์นั้นท่านหว่านทุกข์ในเรียสัตว์คือทุกข์ขังอนิจจ์นักตาทั้ ง, ง, งสอนในขณะที่เรียนทุกขังคนไม่ได้อนันจังแปลว่าเป็นตามธรรมชาติ อนัตตานี่วาบังคับปัญหาไม่ได้ท่านสอนเนี่ยบอกผมงอกผมงอกปันหักเนื้อหนังไม่ปกติทีแรกมันเพ้งเหมือนตึงนานๆมาต้องแก่มาก็ต้องแห้งเข้าแถวเข้ายอดยานไปไม่ปกติท่านเรียกว่าอนัตตาอันนี้คำสอนของครูบาอาจารย์สอนมา แล้วบางคนะอวะนั่งนานเจ็บหลังเจ็บเท้เนี่ยอะเจ็บหนอเจ็บหนอปวดหนอปวดหนออันนี้ก็มีสอนกดีทั่งนั้นตามปกติที่อาตมาได้พิสูจน์ตัวเองอันนี้จะหาว่ากล่าวปวดอุตริมนุษย์นาธรรมก็จำเป็นพควบคมจริงให้ฟังอันนั้นน่ะมันมันเข้าใจน้อย ตามปกติคนนี่ว่าทุกทนไม่ได้อทุกไปต้องทนไม่ได้คนได้ไหมห้ามจะให้คนอื่นไม่ดา่าเราไม่มีประโทุกเจ็บหัวปวดท้องคนได้ไหมทนไม่ได้จะถืออันนี้เป็นทุกไม่ได้อาตอมาเข้าใจปคดเดียวว่าทุกเจ็บหัวปวดท้องจําเป็นต้องไปหาหมอ ทุกเจ็บหลงังเจ็บเอวถ้านั่งงานมันเจ็บเอวก็ต้องลุกทันทีย้ายมันนั่งอันนี้ก็พัฒนาไม่ได้มันต้องเป็นไปจดีๆตังนี้แต่เราจะแก้มันเองจะห้ามมาให้คนอื่นไม่ให้โกรธเราเราก็ห้ามไม่ได้เรื่องนี้เพราะคนด้วยกันอยู่น้วยกันถึงสองคนสามคนต้ง EN, งส iston, สนนองมีการทะเลาะกันรรบ้างอันนี้เมื่อมีการทะเลาะกันเราพอใจไม่พอใจมันเจ็บทุก อันนี้ก็ข้ามคนอื่นไม่ได้เราต้องข้ามที่เราพัฒนาได้ทุกเจ็บแข้งเจ็บขาเราก็เปลี่ยนไปแต่เราพิจารณาว่าเป็นทุกจริงๆก็เปลี่ยนได้ผมหอบฟันหักเราจะพูดไปจะได้ก็ได้อันนั้นมันเป็นอสุภะทักษิณหลายเรื่องอาจะพูดจากนี้อันนี้เป็นคําพูดในตาําราเหมือนกับเราอยู่ที่ในศาลานี้เองเราออกนอกศาลาไม่ได้ ตอนที่อาตมาที่จะออกนอกศาลานี่ได้อาตมาก็มาพิจารณามแมงป่องตกเสียขาอแมงป่องก็เป็นลูกขาเนาก็เป็นลูกแมงป่องก็มีใจแล้วก็มีใจเนกคนทุกคนนะเกิดมาต้องมีกายกับใจแม่สัตว์ก็มีกายกับใจอาตมาก็เลยเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าในขณะนั้นเข้าใจไม่แ จ, จ่ใสคําว่านิพพานมันเนี่ยอรรมาเข้ามานิด คำวานิพานนี่ตายแล้วจึบเอาเราปรารถนากันวัาสุกที่น้ำวัตเมทานังอาสาว่ า, า, า, าวขจวะขังโหตุข้าพเจ้าทงหลายยินดีในทางการถวายของข้าพเจ้านี้จนถึงซึ่งความสิ้นไปแม้งอาสวะกองกิเลสเคชื่อดองสั้นดานท่านกล่าวว่าอนิทานอัตมาพูดวยอย่างนี้ข้อจะมาเป็นผล น, นักทำบุญทำบุญเก็งอัตมาต้องอันิทาน ูดได้ที่อยา ก, ยากไปดิพานอาตมาเป็นเด็กบ้านไปวัดก็ไปเห็นหวาผนังสิมคนสมัยนั้นแต้มเป็นรูกภาพติดไว้ตามวาผนังสิ่บ้านอาตมาเมื่อคนในทำทุจริตเรียกว่าคนผิดศีลผิดธรรมลิ้นเจ้าหัวลิ้นไอจัวลิ้นหัวคนอื่นเนี่ยอาตจจมาพูดคนจริงนะ่นเนี่ยเรียกว่ารักสู้ ส, สาวอย่าเนี่ยทั้งหมดเลย คนจำพวกนี้ตายไปต้องไปตกนรกพอดีไปตกนรกก็จาก่ายโรงพยาบาล เ, เอาโยนลงนรกเลยพอได้โยนนร ก, กมีมีมีแหลมเนี่ยสักหัวลงไปก็จมลงไปถึงก้นหม้อน้ามันเดือดขึ้นมาก็ฟูขึ้นมาเคยถ้าอา จ, จะมาพูดจานนี้พอที่จะเข้าใจไหมมันฟูขึ้นมามันฟูขึ้นมาอกรณีนี้ก็เอาหอกสักหัวลงไปก็จมลงไปสามครั้งก็ฟูขึ้นมา ฟูขึ้นมาก็มีมีแผ่นเด็กแผ่แผนเด็ดใหญ่ๆเนี่มันแดดก็เอาผู้หญิงมาทิ้หมอนที่ตรงนี้ก็มีเสื้อบรรทัดตีลงไปถ้าเป็นผู้สายก็เสื้อบรรทัดตีลงไปเลยบรรทัดเคยรู้ไหมที่บรรทัดม่านตมาเคยเรู้ไหมต้องมีเสื้อพึ่งดีกว่าต้องตีหรือเปล่าดีั๊บก็เสี่ยเหมือนกับไม้ถอไวนะ้เนยมันติดขึ้นมาหรือก็ด่งดับเขาออกควนหักไม่พักหม่ควนก็ต้องเป็นเหล็กเหล็กแดง ถ้าคนนะถากมือกับถากไม้คำว่าอาตมาว่าถากนี่เข้าใจไหมฟันไปนะฟันไปให้ได้ได้กับดีดความมันทัดเลยพอดีมันตรงแล้วเนี่ยตรงแล้วก็เอาขึ้นต้นนิ้วเวลาขึ้นต้นนิ้วนะี่ยน้ําซ่องลงหมากัดทางใต้ึ้นหมากัดปีนขึ้นไปน้ําซองงบพอดีขึ้นไปถึงที่บนแล้วไปอยู่ที่บนนะ้นําต้นนิ้วจะเป็ซองขึ้นบนีแห้งขาดก็สับศีสาที่ลงมาอยู่ไม่ได้ ก็ต้องลงลงกระหนามนี้ก็ปักขึ้นไปอาตมาสลดใจเรื่องนี้อาตมาจริหรอไม่กล้าทำตัวผิดตั้งแต่ น, นั้นมาจะมาปวดปวดปวดตะลกุกวันนี้เมื่อถึงกําหนดแล้วก็ลนลงมาจนน่ะเอาไปโยนลงนรกแล้วเอาโยนลงโลกก็เอาขึ้นมาเอาขึ้นมากำมานอนแขนแตกๆเนยกำมาตีบรรคัดจิบทา้ทาทา่าจริมันซื้อตรงจริงๆนี่แหละเอาขึ้นมา ขึ้นมาตระมาเป็นเตะเป็นจัดเอาสานเป็นอสุษรกายเป็นน้อยอันทันอย่างเนี่ยที่ที่พ่อแม่เคยเรยสอนมาแล้วก็เห็นตามรูปภาพนั้นเห็นจริงๆเห็นด้วยตาอนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นฝันนะเห็นด้วยตาเพา้านอาตมาเขาแต็บรูปภาพนะเขามีคนสร้างแต็บแต็บเป็นรูปจังนะเป็นแถวไปเลยเมื่อมาบวกกันเลยมาศึกษาแล้วองธรรอยากคนพุก ความจริงอาตมาอยากเป็นพระอาเรียบุคคลพูดตรงๆเลยอยากเป็นพระอาเรียบุคคลคำว่าพระอาเรียบุคคลเป็นอย่างไรเราไม่รู้พระโสดาคำณ่าคิดว่าโสดาเนี่ยเราโทษถูกใจที่สุดชอบที่สุดอยากเป็นพระโสดาพระสักีธาพระนาธาพระเนภแม่ท่องทันอยากเป็นจริงๆอยากเป็นพระพุทธเจ้าอยากเป็นพระปเจเ้บคิดไปร้อยอันพันเรื่องอันนี้เป็นผมคิดขึ้นมา เป็นผมคิดสมบัติคนบ้าไม่รู้ น, นี่ผู้คนกินเป็นเมื่อมาทํากรรมฐานอาจารย์ก็สอนให้รู้จักนิมิตว่านิมิตต้องเห็นสีเห็นแสงเห็นอะไรต่างๆในสมาธ น, น, เ, ปนเป็นเนียนน้อยก็ท่านให้เอามือไปรูปเอามินหม้อเคยรู้มินม่อที่มันดํารี่บ้านอาสมาก็ทําตัวด้วยไฟไม่ใช่ได้ฟฟ้าพอเอามือไปแตอย่างเนี่ย ถ้าเห็นเสือเห็นผีเห็นเทวดาอะไรมาก็ตามตัวเอามือนิเปะหน้าธรรมญาลกนี้ท่า น, นก็จได้นั่งแต่ก็มีแต่หลับหลับบากพ่งบากกรอคิดไปเห็นนั้นเห็นนี่ไปอย่างนี้ไม่มีปัญญาแต่หลับได้วิธีนั้นอรราตมาก็นั่งอย่างนี้โทษนะทำให้ดูนะเอาคำทำจิจมันเป็นสาเด็ก ทาขันไปน้มก็ตนี่ทั้งหมดเลยนไม่ขออย่างนี้ขานี้ไม่ได้กขอยอย่างนี้ไมนนี้มันงดมันไม่ขามันก็ไม่ออกจากกันมันติดกันอย่างน้มทางนี้มันก็ไม่ขอจากกันมันติดกันอย่หลับเลยไปทางนี้มันก็ไปไม่ได้ก็ไปอย่างนี้มาทางนี้มันก็ไปไปได้ก็มาติดอนี้ทั้งหมดเลยหลับอัตมานัหลับไดกนอนหลับไม่เต้นหนอนนันนวิธีเหล่านี้อัตมาทามา โสำมาละหังนับหนึ่งสองสามทองนุกดูลมหาใจข้าวออสัญญ้นยาวลมหยาบละเอียดอัตมาธรรมได้บสงกนั่งสงบได้สิบสองโซมูงก็ได้ยี่สิบสี่โซมูงก็ได้นั่งยันเนีน่แต่เมื่อเลิกละอยากสิ่เหล่านั้นแนว ควมมีใจเสียใจมันยังมีรู้จักวิธีสอนคนนั้นคนนี้ได้แต่ควมมีใจเสียใจยอันนี้แหละจะมาคือไม่วาจะกุกทุกข์ก็หามาจากนั้นนียหามาจนอายุสี่สิบหกปีทำกรรมาฐานมาตั้งแต่ตัวอายุสิปีถึงอายุสี่สิบหกปีช่วงออายุ สี่สิบห้ามาถึงอายุสิบเอ็ดปีนี้อาตมาอยู่ในโถงอยู่ในอ่ในห้องมืดอยู่ในโถงอยู่ในเรือนจําเมื่ออายุสี่สิบหกปีอาตมาออกนอกฝุกออกนอกเรืนอนอจําออกจากโถงได้ไม่อยู่ในโถงไม่อยู่ในตาข่ายของไข่ทั้งหมดงหจะอยู่ในค่ายของพระเจ้าคนเดียวนอกจากพระเจ้าแล้วเราไม่เอาทั้งหมดเลยเข้าใจะอย่างนี้ <c oughs> อาตมา ที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็พูดด้วยความจริงใจเพราะได้รับมีมนมาแล้วก็ต้องพูดด้วยความจริงใจวันนี้ก็ต้องเป็นวันเปิดโอกาสวิธีปฏิบัติธรรมจริงๆเรื่องอื่นนั้นแก้ทุกได้น้อยแม้ทมําบุญให้ทานนักษาสินทำกรรมาฐานจะเริวปัสสนาก็ตามมันเป็นความที่สมบุติขึ้นมานนั้น คำว่าวิปัสนานี่ตามตัวหนังสือเขาพูดอย่างนี้ว่าวิปตนานี่เปลว่ารู้แจ้งรู้จริงต่างเอาล่วงภาวะเดิมไว้แต่บัด น, นี้เรารู้กับตำรามันก็เป็นรู้จัำมันไม่ใช่รู้แจ้งรู้จริงมันก็รู้จำรู้จักมันก็ยังไม่พูกกำรรู้แจ้งรู้จริงกับเป็นวิปัสนานั่นได้ถ้าเราไปกลัวตำนานยุคเป็นวิปตนานั่น เมื่ออาตมาพูดในขณะนี้อาตมาไม่กลัวตำลานไม่กลัวอาตมาไม่กลัวจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่กลัวจริงๆอาตมาอาจจะพูดกันต่างอาตมาไม่กลัวแต่เขารบตํารานั้นบางทีอาจจะแปลผิดก็ได้แต่ถูกก็ได้ให้เพื่อนท่านทั้งหลายที่ในเอง แม่ใครมีนะไม่มีพอคุณอายุกี่ปีคุณพ่อคุณยังหนีตายไปจากคุณคุณอนยุได้กี่ปีมือยืนได้สี่สิบสามี่ปีนะเอาเพียงสี่สิบสามปีนะพอคุณต้องสอนคุณหลายเรื่องนะคุณจำได้ไม่พูดยังไงบ้างคำกี่แรก ที่แรกที่สุดพอพอคุณแน้แนวคุณสอนคุณครั้งแรกที่สุดนี่คุณจใจในรเป็นอยู่ที่ไหนแล้วอีกคําที่สองรอนอยังไงพูดอยู่ที่ไหนคุณต้ถามมันยังมนนอกคุณมันนอกเวลาท่านพูดน่ะเวลาท่านพูดเวลาเท่าไหร่ยังได้เป็นกลางยังได้เป็นกลางแล้วตอนนั้นเป็นวันอะไร เป็นบัตรที่ด้ือบัตรเสาร์สิงห์ยังไม่ได้ยังสี่ปีแรกจังไม่ได้นะเอาคุณพ่อแม่คุณมีไหมปัจจุบนับ น, บนนี้เมือมม่อพ่อคุณแม่คุณเรียกว่าตายนะคุณอนุกติ จำนเอาเขาข้าก็า ไ, ได้คุณอายุกี่ปถามอย่างนี้นะตอนตอนเด็กประมาณยี่ <23. S 1> สิบสามประมาณยี่สิบสามยี่บสี่ปีนี่นะแล้วพ่อคุณเคยสอนเรื่องอะไรให้คุณบ้างคำแรกที่สุดจําได้ไหมจาไม่ได้เพียงยี่สิบสามยี่สิบยี่สิบสีปีก็ยังจาไม่ได้เอ้าคุณพ่อคุณสอนเรื่องอะไรที่แรกที่สุด พอขึ้นยาตอนเกิดหรือเปล่าเจ๊เตมื่อคุณจําได้จะจำที่ไหนเขได้นะเจ๊บอกคาแรกที่สุดพ่อพอคุณสอนคุณจำไม่ได้จำไม่ได้สวยเรื่องอันนี้แหละเพียงเต๊บ่กไม่ถึงร้อยปีเราต้องพิจารณาเรื่องสังขารนายที่ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ามาที่เราจะลึกเรามาเรียนหนังสือเนี่ยนักทำตีนักทำโทนักทำเอฟใครๆก็ตามที่พูดนี่ไม่ได้สจบตีนะคือพูดให้เรามีสติปัญญา ให้เราเอามาวินิสัยตัวเราถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราไม่เอามาวินิสัยเราก็จะติดเกี่ยงแค่ตำนานเท่านั้นอัตมาคิดคุมคิดอันนี้มาเนี่เราเชื้อครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็ติดอยู่ในคําพูดอันนี้และวันนี้ครูบาอาจารย์ก็ ย, ยังไม่รู้มีวิธีสอน คุณมาอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยท่านก็ไม่รู้ท่านก็เพียงจำมาจากตำนามาตานานนั้นติดถูกท่านก็ยังไม่รับรองเมื่อท่านไม่รับรองในบางทีท่านอาจจะโกงพวกเราก็ได้ดังนั้น ว, วิธีที่ทํามานั้นถูกทุกอันไม่ไป็นติดอาตมาไมา่ได้ว่าติดถูกทุกอันแต่อาตมาเนีนอยู่ในกลมเมื่ออาตมา ถ, ถอนตัวออกจากคนเออมันก็นดีแต่ว่าคนอย่างนั้นสอนอาจารย์พะเขามีคนรู้อย่างนั้นก็ต้องสอน จะไปตำแหน่เขาไม่ไดเพราะเรายังโง่อยู่ในตัวเมื่อเรายัโงอยู่แล้วเราจะสลัดได้ไหมสลัดไม่ได้เพราะเรายังโง่อยู่เมื่อเราสลัดแล้วจะโง่ไหมเราสลัดได้จะไปโง่ทาไมเมื่อเรารู for ้แจ้งถึงจผิดเพราะเรียกวเราสลัดแล้วเราสลัดแล้วจะไปเอาคําพ <zy> ูดของคนที่พูดผิดมาไหมไม่เอาทําไมเขาพูดเรื่องของเขาไปเจอเรื่องของเราเราก็รู้อย่างนี้ อาตมาจากกึาางกล้าเยีนยาแลรับรองคําพูดของตัวเองไปตรงกับคําสอนของบระเจ้าจึงสา ม, มารถจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาไว้คําของคนโบราณท่านสอนเอาไว้อ ย, ยอมเสียสละทรัพย์เพราะไม่อยากตายยอมเสียสละดทรัพย์เพักษาอวัยวะคือรักษาตายงเราบรัดนี้ยอมเสียอวัยวะส่วนในส่วนหึงเพราะเรารักษาชีวิต แต่มือเราอะไรแค่ขาเราอะไรอะไรมันเป็นพูดเป็นอะไรเป็นมะเล็ปวดตับถ้าหมอประว่าตัก็ต้องตัดเพราะเรารักษาไม่อยากตายาบันนี้ถ้าว่าจําเป็นหรือจะตายก็เก็งต้องรักษาคําพูดที่เป็นจริงนี้เอาไว้ธรามะจิ๋ยอมเสียสลัใไม่ขาด่ติดถ้าได้พูดเป็นจริงก็ต้องโกรธไปที่แม่ธรรมะต้องพูดอย่างนี้เลยอยากพูดกป็จริง และบนันทึกเจากะพูดคนจริงนาะคนไม่ชอบพูดคนจริงให้ฟังคนไม่ชอบอันนี้แหละปัญหาที่เราจะกแก้ปัญหากันต้องวันเนี่ยพูดความจริงคนไม่ชอบแต่ยังไงคนก็ต้องการความจริงอยู่นั่นเองเมื่อพูดความจริงให้ฟังทําไมจึงไม่ชอบพอเพราะเรื่องอนนะไรเพราะกิเลสเนี่ยมันไม่ชอบมันไม่อยากให้เราได้เมื่อเราไปฟังคําพูดที่จริงเนะี่ยมันจะไม่มีปุ๊ มันกรจําเป็นทุกข์และต้องบังคับเอาไว้ทุกข์แล้วจะมีอํานาจหนึ่งนะชีวิตของเราเมื่อคนเราชีวิตนั้นอยู่ด้วยทุกแล้วจะมีประโยชน์ไหมในชีวิตนั้นคงจะไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นตัวหนังสือดีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะไปทําลายคําพูด น, นั้นนะเที่บจะมาพูดนี้จะเพียงถามคุณอายุในเกมสี่สิบสี่ห้าสิบปีจำไม่ได้ข้อเราสอนเรา อันนี้ต้อง405ปีคิดเป็นระยะชัวงอายุ80ปีมีที่มีที้ช่วงคนละสายไปเราคิดออกเองไหมรู้อายุกี่ปีแล้วจาได้ไหมคงจำแนนอนที่สุดแต่ทุกคนคงจะจําไม่ได้จะมาเอะประจําไม่ได้เรื่องนี้ดังนั้นการที่เราจํามานั้นดีแล้วแต่อยากพิ่งเอาเปเยนแค่นั้น ต้องทำให้มันรู้แจ้งรู้จริงจะเอาเพียงรูจ้จํารู้จักก่อนที่อาตมาจะรู้เรื่อนี้จะรวบนัดตัดแต่แตงผมสั้นไม่ต้องหนงยาวรู้เรื่องรูกนามรู้ทำนามทำรู้โลกนามโลกโลกมีสองอย่างจะพูดอย่างเดียวนะคะรู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้นักตาโลสุมุตสุมุตทุกแห่ทุกภูมิจักทั้งหมดเลย รู้ศาสนาศาสนาเนี่ยจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวให้รู้ทุกทศาสน า, า, าก็ให้รู้บาปกาให้รู้บุญกาให้รู้เมื่อรู้สิ่สนงนี้อาตมาสอนเราอจะมารูลุยพอรู้แล้วอาตมาก็หาพอรู้แล้วก็ต้องหายน่ะไม่มีบาดแผลเดี๋ย ว, วไม่เก็บซ้ําดัำเทียวในขณะนั้นอาตมาเรียนมนต์คงปืนคง ม, มีดคงค่าเรียกว่า ไล่ผีปอกผีถายอะไรที่ไหนเขาเลียนนี่ยเขา อ, อาจารย์เป็นคนสอนใส่หนังบางปานอาจารย์สอนให้ทั้งหมดเลยเขาเรียนกับอาจารย์อาจารย์ก็เป็น น, น, น, น้าเป็นลูกยนวัคุณาเขาคือหลวงน้าหลวงน้าเป็นลูกลูกคือแม่าจามาเนี่ยเป็นลูกพี่พสาวลหลวงน้าเป็นลูกน้องชายของเนวันมันมันไม่ใจกันนะ แม่อัตมาน่ะเป็นเป็นลูกที่สาวหลวหน้านาเป็นลูกของชายเมื่ออัตมาเป็นเด็กเด็กระเด็ยนะว่าท้าไปจับไปบวชเลยท่านไม่ต้องกดอะไรมากนะสมัยนั้นไม่มีอุปสรรคอย่างนี้เอาไปแทกโกนเหมือนกขาบวชเป็นเทนเลยละ่ะนี่เป็นนะ <c oughs> งัวทะมูครูหน้าน้อยทั้งสอนโอ้หท่านสอนมณงคงในท่านสอ น, น, น, น, ส อ, นอัตมาจําได้แต่จะเล่าสุกท่านกลมกุรีโทุลีหอคูมีแพนยคองตั้งพา หนาผากแกนปันหีตีนแกนปันเหล็กขนแข้งท่อน้ําอาขนขาท่อขนเม่นเราจะเต้นไปได้พอโยุดตันมาพญามนลทั้งหลายต้องมาอ้อมมาแฝงลราทั้งหมอาจมาสํานึกเราเมี่งปอบไปแล้วมาลูกบกคอไม่มีแค่เหล็กแค่ทองทั้งหมดเป็นพอธรรมดาธรรมดาขอโทษถ้าเราเขาฟันเราตายแล้วมันจะเต้นไปได้ที่ไหนคนมันเต้นไม่เอินสองสองสาสองเต้นแต่แรงไม่เกินสี่สองเอ๊ มันสมมติเนี่ยคนมันติด ส, สมมติคือติดตำหนาติดครูติดอาจารย์นี่มันเป็นอาตมาเลิกเลยพูดเรื่งใต่หนังให้ฟังถ้าจะใสหนังก็ต้องเอาเข า, เอ า, เอ า, เอาลองลองผมดูต้องพู ด, พดอาาย่างนี้อูดไปจะเอาหนังไป่ฆ่าคนเนี่ยเขาว่าใส้หนังบางคั้งี่คนตายอาตมามันเมื่อได้ของจริงมันต้องกล้าไปคนนี่แหละตนเป็นที่พึ่งของตน ไม่ต้องไปพึ่งผีไม่ต้องไปพึ่งเทวดาที่สุดพระพิฆเนศขอไม่อยอมพึงผีเดี๋ยวจะมาอาจจะมาออกจากผมได้ไงผมพูดนะถ้าเอาหนังเข้าท้องคนเอาเข้าท้องผมลองดูผมหยอมเสียสละให้ถ้าก็ไปทําศุกเซศคาถาเอาหนังเข้าท้องคน ม, มันเข้าไม่ได้ได้สามวันก็นยังไม่ออกเข้ า, ขาได้ห้าวันก็ยังเข้าไม่ได้เอ๊ะ ทำไหมครับมันก็นยังเอาเข้าไปได้ขันท้าจะเอาเข้าท้องผมไม่ยากอาจารย์หมอพูดอย่างนี้ก็ลงนะเนี่ยไม่กลัวเลยทำยังไงเอาไปเผาไฟเอาไปต้มผักที้เหล็กเนี่ยว่าอมบอลบ้านไหจะมาเลียกออบอลก็ได้ยินาาเนี้ยงออมบอลเอาผักขี้เด็กมาแล้วก็หนังต้มไปเรือยแล้วก็ต้มเข้าผักเหล็กินเข้าไปแล้วกินหนังผักเข้าไปในท้องแม่ก็ได <c oughs> ถ้าจะเอาหนังเข้าท้องผมน่ะต้องไปเขาไฟแล้วก็ไปพุกบ้านอาจามาต้องเอาหนังไปเขาไฟแล้วพูกจะนําบนำเอาก อ, ขอพุกพุกก็จะรากเป็นบ้านเป็นบ้าน ก, ก็จตขึ้นที่เด็กหนูเข้าใหญ่นะคนทําบ้านต้องเพ อ, อใจเมื่อมันสุกแล้วมันกินได้สบายแต่เอาออกทําเดิมไม่ได้ต้องไปจะรากน้องแ น, น่เขาทำไปไม่ได้ท่านพอดูไม่พอใจเ่ว่าธรรมนานะ ลูกศิษย์อาจารย์มันต้องพูดยังอาา่านคือไม่กลัวพูดไม่กลัวเลยพรตมารเลิกเลื่องเบ็ดมนุกนคาถาผีเวดาพระธรรมไม่กลัวจริงๆพรตมากลัวภายในกลัวอะไรกลัวในขณะที่มันโกรธมุกขึ้นมามันจะไปฆ่ามนคุนจะหาอราือโอ้พระธรเข้าใจอยนีเข้าใจตอนนี้ตอนแหนเดิ เดินจมจองวยาวนางไปย่างมาทางเดินจมกอประมาณจากสามมาหัวมีต้นบ้านอัตมาเลียกบัพั์พุท ช, ชานะกับต้นข่อยมันลักกัน เ, เดินระหว่งมมางล้มมันล้มมันลับไปค่ายค่ยคุณมีคนมาผักดันพูดเลยทีแรกเอ๊ะอะไรมาผักดันอะไรฮะผมคิดมันไม่เห็นเราไม่เคยรู้ความคิดเราเลย ทั้งที่สอนให้รู้มันคิดจากที่ไหนก็เลยมองหาผกคิดก็ยังรู้เป็นเรื่องหาพอดีมันคิดขึ้นมารูกที่สามาจะมารู้ต้นเทตุกำเนิดที่เกิกดผลบุคิลรับรองได้จริงตอนประมาณจักหกโมงเดินไปเดินมาอาบนาบจะมาถวาย็นเดินเล็กเดินไปนรู้จริงพอดีรู้เรื่อง จะมก็เลยรู้สมุฐานต้นเหตุําเนิดที่เกิดของทุกข์ควมจริงทุกข์ไม่มีอาตมาเข้าใจที่เราไม่รู้ที่ตรงนี้แหละมันยังมีพุกข์ึ้นมาเข้าใจไเนี่ยความโกรธไม่มีความโลภไม่มีหลงมีเพราะเราหลงที่ตรงนี้ที่ว่าหลงไม่มีก็ได้เราไม่เห็นที่ตรงนี้เราจะรู้ทำไมเอเลยเดิน<ม>เดินอยู่นี่ยเดินไปเดินมาปรากฏตัวเนี่ย น้ำหนักอาตมาร้อยกิโลอาตมาสูงทุกนั้นในขณะที่อาตมาเห็นผมขึ้นมาอาตมาสลัดได้หยาบน้อยที่สุดต้องหกสิบกิโลเบาแทบกินคันถ้าพูดเต็มใจในขณะนั้นเรียวอาตมาถอนได้คนหนักแปดสิบกิโลหนไหมเออเอาแรวบนะันทึกลมโลมโลบลมโดมไม่ต้องมาแตกสัมเข้าใจเออรวมกินแล้วโลบโอโลบไม่ต้อง เปลียนดวงอาทิตย์หัดเอสตเวนเราเข้าใจว่าตเวนหมดความจริงตะเวนไม่หมดมันทําำคมสว่างเต็มดวงเลยนี่ความจริงที่ที่ที่เราคิดในขนาดนั้นนั่นนี่ถ้ราคิตเนี่ยตเวนเนี่ยมันสว่างเต็มดวงเราเข้าใจว่าว่ามืดว่าหมดตะเวนมืดตะเวนหมดมันไม่ใช่ตะเวนหมดมันไม่ใช่ตเวนไม่หมดเมฆหมอกเมื่ออากาศเป็นบางจุดที่ท้องนเอง เมฆหมอกจำนวนนั้นจะไป็นเกาะดวงอาทิตย์ได้ไหมไม่ได้ <g ülme> เอ๊ะทําไมคโกรธนี่มันเก่อใจเราได้ไหมไม่ได้มันมาบวกไปหนึ่งมันมีบวกมีลบอย่างนี้เราคิดเราเราก็ดูกงคิดเราเอ๊ะทําไมที่เราโกรธขึ้นมานะ่ะมันรูปเดียทําไมสมมุติ น, นี่ที่เราอยู่ที่นี่แหละถ้าเราไม่พอใจใครพอเจลีนใครพอมันเอเรียกปุ๊บทันทีคุณเคยมีไหมอย่างนี้เๆๆนี่ยเนี่ย นี่มเลวเขึ้นมาคนที่เราไม่พอใจเราได้ยินเสียงมันมาแล้วแต่ยังไม่เห็นหน้าได้ยินเสียงกับหนักแล้ยสมมุตินั้หนักแลยไม่พอใจกันทุกเลยบางทีเห็นหน้าขึ้นมายิ่งหนักขึ้นมานี่เป็นอย่างนั้นคนนั้นคนที่เรียกซื่อที่คนที่ไม่พอใจจะแบบ ท, ทุ๊บเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นวกทุกแบบนี้แหละที่พระพุทธท่านสอนให้เราเอาัศนาอันนี้ ทุกเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวนั่งงา น, น, านต้องเปลี่ยนทันทีไม่ต้องให้มันทรมานหรอกอันนี้ต้องแก้ทันทีไม่ต้องนั่งว่าปวดหนอปวดหนอให้มันลุยไปไม่เอาแล้วะมาที่แล้วจะมาเอาแบบนั้ทีนี้ไม่เอาเลยเพราะนี่มันปวด ก, กับเปลี่ยนไปเลยเป็นอย่างนั้ น, ต, น, นตัวอิเลียบทเป็นตัวทุก ตัวนเรียบทเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติกรรําหนดรู้ในเรียบ ท, ทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนและให้มีสติกรรําหนดรู้ในเรียบทย่อยคู้ลเอียดเคลื่อนไหวโดยวิธีเดีวก็ตามมันเป็นปวดทุกข์อันนี้มันเป็นทุนกเรารู้อันนี้ก็แก้ถุกได้เพียงอันนี้ ตอนคมทุกข์ทางจิตใจเป็นไอเดียหมดย่อยที่สุดไม่เคยดูควบคิดตัวเองเอายุสี่สิบหกปีอย่างรู้ต้นเหตุของควมคิดวันนั้นวันนั้นดูเป็นวันเป็นวันิีความเมื่อตีความตอนเย็นตอนเต้านัน้นรู้เรื่องนแรตอนเย็นมารู้ผมคิดจริงๆริงอาตมาก็เลยกล้าได้ครับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิตใจคำหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าท่าน เอาขันเอาธาตุไปเสียบในแม่น้ําถ้าข้าพระเจ้าจะได้ตัดสรู้เป็มต้านอาหารข้ากิเลสตายชายกิเลสได้ดับทุกได้จริงข้าพระเจ้าวางขันใบนี้หรือถาดใบนี้ลงไปน้นํานี้ให้ขันใบนี้ตวนก็นสนแสก็แสต้นน้ําไปอันนี้พอร้อยกว่ยะคูบาจัางกระไรกว่ตรงกันข้ามถ้าข้าพระเจ้าจะไม่ได้ตัดสรู้ ถ้ากิเลสไม่ได้เอาชนะทุกไม่ได้ข้าพระเจ้าวางขันหรือถาดใบนี้ลงไปในแม่น้นํานี้ให้ขันใบนี้ลอยไปตามกระแสของน้ำขับลูกก็เลยเข้าใจว่าเป็นขันจริงๆเป็นถาดจริง ๆ, ๆใครจะปากเข็ดได้ปากเข็ดไม่ได้อย่างที่เราอยู่ที่เมืองนเนี่ยไม่ไม่ฟังอัตมาทุกก็ได้แต่ทดลองก็ได้ตรูนี้และอาหารเขาถาดอะไรอะก็ได้ เราขันที่เราสังนามไปแลแบบ้วไปอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าจะตายจริงๆนะให้ขันไปนี่ทวนไปกระแสของน้ำขึ้นไปทางต้นขึ้นไปทางต้งน น, ตน้ำถ้าข้าพเจ้าจริงๆตายจริงๆนะวังขันไปนี่ให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำนะรับรองคนต้องตายจริงๆแต่ขันมันก็ต้องไหลไปตามน้ําจริงๆอันนี้แปลว่าเราตีควาหมายไม่ถูกอันนี้เนีลยเราไปฟังตำนาที่พูดนี่คือว่าสังคันอย่างไรข้าพจ้าที่หา เจ้าที่ผ่านไปแล้ว450ปีพาไปเจ้าท่านสอนให้เราวนกระแสของผมคิดส น, นองมันคิดขึ้นมาอย่าพึ่งตามัมนเข้าใจทำ ต, ตามแปมหน้าของผมคิดให้เราเห็นควมคิดเมื่อเราเห็นควมคิดเราวิธีใสจริงๆแล้วทำไปได้สิ่งที่ผิดไม่ต้องทาสิ่งที่ถูกต้องต้องทำคนมันต้องทำการทำงาน เพราะคนมันกินข้าวเนี่ยดูผ้าเนี่ยคนร่างกายไม่ต้องกินข้าวดูผ้าดูเสื้อถ้าไม่กินข้าวไม่ดูเสื้อดูผ้าก็เหมือนกับ น, าน้ามันสาะหา่นเอถ้าไม่กินข้าวก็ต้องตายเนี่ยชีวิตจะอยู่ได้ต้องหายใจอยู่แล้วถ้าไม่หายใจต้องตายอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนจะไม่มกีก็ต้องเห็นธรรมะ ธรรมะนะจิวคือคนทุกค น, นเป็นธรรมะต้องมีอารมณ์ธรรมะมีอารมณ์คือธรรมะลมเกิดกับใจต้องเห็นสภาพทุกภาวะของคมคิดจริงจริอันนี้ธรรมากล้ารับรองคำสอนของพระพุทธเจ้า จ, จริงๆริทวนกระแสะของน้ําน้ำเก็นว่ากิเลช่วงน้ําคือกิเลสคนนี้คิดลุกขึ้นมานทําันทีไม่ได้มองดูวินสิสัยขับพูดหรือคิดขึ้นมานะ่ะคิด สมมตินั้นนี่คุณเคยสูบบุหรี่ไหมพอดีมันที่อยากสูบบุหรี่ทุกไม่ได้เคยดูว่ามันอยากสูบบุหรี่บุหรี่เพื่ออะไรมันไม่ได้วิสัยใช่ไหมใครเป็นคนอยากอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ดูใช่ไหมนี่เรากลับสูบทันทีใช่ไหมสูบเลยแล้วบุหรี่เนี่สูบแล้วมันได้ประโยชน์อะไรไม่ได้เคยแล้วอาตมาติดบุหรี่เขานะ่ักผูค้คนจีนแล้วอาตมาก็นอติดบุหรีหนะมือแดงหมดเนี่ไปไปปฏิบัติธรรมมา เสื อ, อยาว ก, กับของมาจากเบียงจันเพราะเบียงจันกับอำเภอศรีสิงห์ ม, มข้ามไปมาอ่ะจะได้สะวกสบายแต่ข่าวนั้นดูมันยังไม่ได้เป็นอำเภอ <c oughs> หรือเป็นอำเภอนะเนาสมอก็เข้าใจผิดๆไปดูอาจารย์ยังไม่ได้เป็น อ, เ อ, อเนานน เ, นอเภอหรือจะเป็นจริงข่าวนั้นจะเป็นจริงอำเภอที่อจะเป็นจอำเภอข้าไปซื้ อ, อยาเวเบียงจันยากระป๋องมาสู้หรืติด คนสุบุรีไกประมาณจากเอาจากยี่สิบาทก็ได้หรือสาสิบาทก็ได้เขาได้ก็ได้แต่เราไม่ได้สูบุรีคนสูบุรีทางนู้นอ่ะควนบุรีมันติดมากออดังโลซิกาบีแลนด์สินาค้านั้นไม่แลนคันนั้นอ่ะมันติดเนี่ยกีเร็ตเราไม่เคยมองใหม่เมื่อตะมามาเห็นโอสภาพที่อยากสูบุรีนั้นไม่ใช่ชีวิตเราแล้วไม่ใช่จิตใช้ใจเราแล้ทกีเร็ตแล้วทุกแล้ว ก็เลยไม่เ the ห็นทกจริงๆนี่เห็นคนคิดเขางเห็นแบบนี้ต้องเห็นทุกจริงอันโคมโกดโคมโรวโผมหลงเนี่ยอันนี้มัเป็นอีกเรื่องหนึงอาจยมาก็เลยรู้อ่โอ้นี่ทุกจริงๆอาจามาเลิกเลยบุดียังกองอยู่ข้างเนี่ยอาจามาร์กไม่ต้องสูบได้แบบนี้เอ่ะสุบดุมันสุบไม่ได้เมื่อรู้จักทุกจริงจริงอมันสูบไม่ได้จริงอ่ะสุบไม่ได้มันถามมันตัวมันเองสูบไหมสูบไม่ได้ อะไรทำไม่ได้ทั้งนัน้นนี่อันนี้แล้วเราออกจากสัมนาไม่ได้ติดอยู่สัมมาเนี่ยนี่เรารู้แจ้งรู้จิตอันนี้เปเลวรู้แจ้งรู้จริตไม่ใช่รู้จักรู้จับรู้จักรู้จับมันแก้ที่ตัวเองไม่ได้แก้ไม่ได้จริงจริงเมื่อคูดตอนนี้เขาจะมาลัดเรื่องสิ่งเหล่านี้ไหว้ผีเทวดาอะไรอะไรทั้งหมดอาจมาไม่กลัวจริงรจริงไม่กลัวจริงจร สีอะไรอยู่ที่ไหนเขาเลี้ยงอะไรแนละ้วสารขา้าวโก็ได้แต่มาไม่กลัวมันเรื่องสูงเราไม่เคยเพิ่ตัวเราจะไปเพิ่มสีไปเพิ่ม เ, เทวดาเพิ่เล่นทอันอันเพิ่มบีเพิ่มอะไรไม่รู้เลเิ่มเลาเพิ่มอะไรกินสิ่งต่างๆแบบนีาฮีสคนเราเนี่ามันไม่ได้เพิ่มตัวเราถ้าเพิ่มตัวเราจริงๆแล้วเนี่ยมันยืนยัน มันเอาจริงๆได้นการปฏิบัติธรัมต้องไปดูดังนั้นที่มาพูดธรรมะวันนี้ก็ต้องทูกข์งจริงๆว่าคือเราให้คอดูคุคิดให้รู้จักคุคิดจริงๆเมื่อคุทุกข์นมันไม่มีจริงๆแต่เราไปจับมันมาเราไปจับมันมาก็เลยทุกข์เมื่อเราไม่จับมันก็ไม่มีทุกข์เมื่อเราคิดขึ้นมาเราเองก็น ค, นคิดเราเราก็ไม่ทคคําเป็นกับคุกมคดัน เีย่าเรามีสติมีปัญญา <c oughs> เห็นสภาพลูกภาพจริงจริงที่พูดพูดนยิ้มพูดแรงแรงแต่ไม่ใช่แลงพูดให้เข้าใจ ส, สัติรัศด์เขามีปกติคนก็มีปกติอยู่อันปกติทำไมเราถึงไม่รู้ปกติจิตใจหรือจิตของเราจริงๆเนะ่ะมันไม่เคยหยาบอะไนะมันเฟรเซอร์มัน ย, ยางมนะีมันเป็นอย่างนี้จะตลอดเวลามันไม่ปรากฏพนักผู้เมื่อไม่ปรากฏเราก็ไม่รู้ วันนี้ตอนอาตมาจะรู้ออกจากกรมไม่จริงๆนะหลัดไม่จริงๆุดลงรัดประวัติให้มันสั้นอาตมาเดินจนกรมตอนเท้ากันพอดีวันนั้นเดินไม่ได้พูดเรียงตามลําดับนะพูดรัดดูดันในตัวจะให้จับใจครมได้เดินจนกรมตอนเท้าวันนั้นเป็นวันเมื่อติดคำตื่นมาจะเป็นวันเมื่อติดคำ เดินจมกองประมาณตีสามตื่นลุกเดินจมกองเดไปประมาณตีห้าเนี่ยปรกากฏข่าอีกเหมือนกับสําฤีที่มันไม่เคยจุก น, น, น้แค่อเอาสําฤีนี่ไปจุกน้าสําฤีมันดูดเอาน้าไวที่สุดะพอที่เราปีบ น, นะำอกสัมมันหา ย, ยนักสุนเัี่สัมฤทแ่หมันจืดหมดตัวทำไมจืดทั้งหมดเลย นี่มันอาจะมาเคยเตี๋ยกันที่มือมือแดงๆเอามือที่มือมากด ท, ที่มันขาวแทกทุกมันเนเนือหนังของเราเนี่ยธรรมธรรมดามันมันจืดออ่อย่างนี้ตลอดมาเราทําไมที่มันไม่จืดเป็นเพราะเรื่องอะไเพราะเราไม่เห็นตรงนี้สิ่งนี้มันยังไม่ฝักบัวเมื่อสิงนี้ปราคนเราจะรู้ทันอาจะมาเคยเตี๋ยมาอยู่ที่นี่เขาพู ด, พดเล่นๆหรือไปอยู่ที่ไหนเคยพูดเล็นๆแต่พูดจริง เหมือนเรามีเสื้อในรอดหนึ่งเส้นมาปลูกใส่ต้นนึ่งปลูกเสาตอนนั้นคนนึ่ปลูกเสาตอนเดีอามีไปตัดตรงกลางหรือกอาไฟไปจุดก็ได้เมื่อไปตัดตรงกลางมันขาเราจะกันแล้วจะมดึงเข้ามาตัดกันมันมันมันเลยไม่ถึงหรือมันถึงเราจะไปจู่ๆอยงเนี้ยแต่จะเอาของอะไนไปพัดหรือไปไฟไปแฉกมันไม่ได้มันหล่นเราไปแก้คนนั้นมาตอนตรงกลางดึงไปตรงนั้นมันก็ไม่ถึง มันได้มาแก้ตรงนี้ไปถึงตรงกลางเมื่อถึงตรงกลางครานี้มันไม่ถึงมันคาดออกจากตีช่วงอย่างตอนที่อาจจะมาเป็นอาตมาเข้าใจร่า น, นี่คําสอนของพระพุทธทั้งหมดเลยแปดหมื 8, 000, 4, ่นปีอันอานามขันรวมมาจุดนี้เถ้าเราไม่รู้ทีนี้เราต้องมีความสงสัย่ตลอดอาตมาหายควมสงสัยวันนั้น หายจริงๆใครจะพูดยังไงก็เรื่องของคนนั้นไม่ใช่เรื่องของใจพระพุทสอนอย่างนี้อันตรมาจึงรู้ดำรีว่าพระพุทธสอนที่ว่ า, า, า ส, สัจธรรมสัจธรรมของกินของแห่เรื่องนิพพานที่ว่าเอาในชีวิตนี้ไม่ต้องตายได้จึงเอาคนในที่สอนตายได้จีกว่ากนันถ้าต้องการิีทานก็ตายวันนี้ดีกว่าพรุ่งนีนะ้ตายวันนี้เราจะได้นิพพานเนี่ยก็ต้องอยากตายแค่ไหน ใครอยากตายเดี๋ยวนี้นี่ไม่มีใครอยากตายยกมือไม่มีใครยกมือเลยไม่มีใครอยากตายทั้งหมดเลยในโลกนี้แต่ทําไมปรารธนาเอานิปานตาัวเมื่อสายไม่แม้เอาเรื่องที่ไหนมาพูดกันอันนี้ก็ไม่ได้โดนตีตพูดตัดบทคุณต้องการอิปานไหมใครใครต้องการ น, านโกเดี๋ยวนี้นะไม่มีใครต้องการสวรรค์ น, นิปานมีไหม มีไหมต้องการสวัสิภาพไหมต้องการนปาต้องการเนปาน์แล้วคุณต้องการเนพานเนี่ยต้องการตายได้จึงเอาเรื่องเอาอยือนนี้ดีต้องการก่อนตายอาเนี่ยังใครได้อันนี้คนต้องปรารถนาเอาว่าปรารถนาให้บุตกิเลสจากเครื่องรองตั้งนานท่านกล่าวว่าพระเนปานในอนาคตต่างกันเรื่องหน้าโร้นตายแล้วจริงจะเนปานถ้าเราต้องการเนปานจริงๆแล้วตายแล้วจริงจะเนปาต์ต้ก็ตายเดือนนี้กวดีสิ ก็ต้องอยตายเดียวนี้เพราะเราต้องการนิพพานเดียวนี้ก็ต้องตายเดียวนี้ดีๆอันนี้ผมจริงนะนี่พูดเนี่ยคือไม่ต้องพูดกับสักแสนอันนี้อันนี้เราต้องการนิพพานเราก็ต้องตายได้ทอ่นิพพานและมันขัดกับไม่คำพูดของเราตายแล้วจอะนิพพานเขานิพพานมีวันเดียวทำไมจริงไหมอมเพราะเรื่องอันนี้เลยด้วยพระพุทธตายไปแล้วได้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว ก็มีเจ้าว่าเอาดิพานหลังจากการตายแล้วเอาดผ่านจากหลังตายแล้วท่านสอนอาตมาเองคนหนึ่งที่เคยรับรู้เอา่าหลังจากการตายแล้วจะเจ้าดิพเคยพูดอย่างนั้นเมืม่ออายุสี่สิบหกปีมานะะไม่เอาแลยย้วเนี่ยเอาเดียวนี้แต่น่าจะมาไปพูดที่ไหนอยากให้คนรู้เรื่องดีมากที่สุดแต่ว่าอยากให้คนรู้เป็นทุกไหมเป็นธรรมดา จะทุกก็ได้หรือไม่ทุกขก็ได้เพราะเราไม่มีทุกแล้วเราไม่ถูกอะไรมาตีดขังเราเเราออกนอกผมได้อนกับนกที่ไม่มีโลง